ถ้าเราฝึกไปแล้วเนี่ยเราจะทราบได้อย่างไรว่าเรามาถูกทางแล้วะเราจะสังเกตได้ว่าสติของเราเพิ่มขึ้นไหมหลับเสือนานไหมอย่างต้องรู้จักเสือที่หนึ่งรู้จักเสือไหมเสือเป็นต้นว่า <c oughs> นั่งอยู่นี่แอบคือคิดอะไรเขาไม่รู้เลยใจลอยไปนี่เผือสุดขีดเสือชนิดที่สองคือไปคิดเนี่ยรู้เรื่องที่คิด แต่สังเกตไหมตอนที่เราคิดเรารู้เรื่องที่คิดเราลืมกายลืมใจของเราเองอย่นี้เรียกว่าเผลอคือถ้าเมื่อไหร่ลืมกายลืมใจตัวเองนะเรียกว่าเผลอแต่ถ้าไปจ้องไว้ก็เผลอจ้องนะเผลอมีหลายเผลอเรียนถ้าเมื่อไหร่เราเผลอตั้นลงตั้นลงแสดงว่าเราพัฒนาขึ้นมันใจเผลอไปแล้วเห็นไหมมันมีแวบไปหนีแวบไป แว บ, บไปอยู่เรื่อยๆบางทีก็แว บ, บไปไหนก็ไม่รู้บางทีแว บ, บไปคิดบางทีแว บ, บไปจ้องอยู่ข้างในนี่ใจเราเผลอทั้งนั้นครือการทํางสมถะนี่เป็นเรื่องที่ว่ามาช่วยในการเปิดประตูหรือเปล่เนี่ยช่วยสมถะมีประโยชน์นะครับสมถะมีประโยชน์แต่สิ่งที่จําเป็นจริคือสมาธินะ สมถะเป็นเครื่องมือตัวหนึ่งในการสร้างสัมมาสมาธิแต่สมถะนี่เหมือนมีสังคมใช้ไม่เป็นแทนที่จะสร้างสัมมาสมาธิกับไปสร้างมิจฉาสมาธิฉะั้นสมถะประเภทเคลอบเคลิมลืมตัวเคลิ้มงอกแง้งอกแง้งหรือเห็นโน้นเห็นนี่อันนี้เป็นมิจฉาสมาธิแต่ถ้าสมถะที่กระตุ้นความรู้สึกตัวอยู่เรื่อยๆนี่จะเป็นสัมมาสมาธิช่วยในการปฏิบัติ ยกตัวอย่างสมมติว่าเราหายใจเข้าหายใจออกหายใจไปแล้วเราค่อยรู้สึกตัวไปเรียกว่าเรามีสมถะที่ดีหายใจไปหายใจหายใจเราหนีแวบไปเรื่องตื่นรู้ทันว่าใจเราหนีไปหายใจไปหายใจไปใจเราซึมลงไปรู้ว่าใจเราซึมในหายใจแล้วรู้เข้าไปถึงจิตถ so ึงใจอย่างนี้จะเกื้อกูลจาการปฏิบัติเกื้อกูลกับวิปัสสนาแต่ถ้าหายใจแล้วเคลิ้มลืมเนื้อลืมตัว นั่นเป็นศัตรูอของการทำวิปัสนาเพราะวิปัสนาต้องรู้กายต้องรู้ใจไม่รู้กายก็ต้องรู้ใจไม่รู้ใจต้องรู้กายยกตัวอย่างง่ายๆเลยะมีผู้ชายคนหนึ่งมาเรียนอยัตมานะเรียนมีชั่วโมงหนึ่งแล้วบอกว่าเข้าใจแล้วกาปรปฏิบัติถ้าผมเดินออกไปนอกศาลาผมได้กลิ่นดอกไม้หอมผมรู้ว่าดอกไม้หอมเนี่ยถูกไหมสิ่งนี้ไม่ถูก เพราะพีปรัสนาต้องรู้กายรู้ใจไปรู้ดอกไม้หอมไม่ใช่กายไม่ใช่ใจนี่ต่อไปเอาใหม่ออกไปแล้วได้กลิ่นดอกไม้หอมใจมันชอบใจมันชอบรู้ว่าชอบนี่เรารู้ถึงใจเราเนี่ยมันอยากเด็ดรู้ว่าอยากเด็ดมือเอื้อมไปเห็นรูปมันเคลื่อนไปจะไปเด็ดรู้ว่ากําลังเคลื่อนไปอย่างนี้เรียกว่าเราปฏิบัติอยู่ไปได้ดอกไม้หอมรู้ว่าดอกไม้หอมไม่ได้ปฏิบัติอะไรเลยใครใครก็รู้อย่างนี้ งัต้องรู้ให้ถึงใจของเราถึงกายของถึงใจถ้าถึงใจได้ก็รู้ที่ใจถ้ารู้ถึงใจไม่ไหวก็มารู้กายไว้ก่อนเพาะกายเป็นบ้านของใจเราปฏิบัติธรรมเพื่อให้ใจเราพ้นทุกข์นะถ้าปฏิบัติหยุดอยู่ที่กายหรือที่ลมหายใจที่อะไรเนี้ยใจยังไม่พ้นทุกข์หรอกหน้าที่ของเราค่อยมาสังเกตอยู่ที่กายที่ใจของเราว่าความทุกข์มันเกิดได้ยังไง ถ้าเราจะเห็นในความทุกข์กายเนี่ยเกิดก็มันมีกายมีกายมันก็ต้องทุกขนะ์แลยเดี๋ยวก็เมื่อยเดี๋ยวว่าหิวเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนนะนา น, นานเจ็บป่วยทริแต่ทางจิตใจเนี่ยมันทุกข์เพราะว่าใจมันไหลไปมันหลงไปต้องหลงก่อนนะถึงจะทุกข์ถ้าไม่หลงไม่ทุกข์หรอกใจมันหนีไปแนละ้วเนี่ยมันหลงแบบเนี่ยหลงไปแนละ้วบางทีไปคิดดีคิดไร้ายนะเดี๋ยวว่าเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดกุศลกับอกุศลขึ้นมา งั้นสำคัญที่สุดของการปฏิบัติเลยขั้นต้นที่สุดเลยต้องฝึกเรียนให้รู้จักความรู้สึกตัวซะก่อนความรู้สึกตัวนี้เรียกว่าสัมมาสมาธินี่นเคยได้ยินใช่ไ้มศีลสมาธิปัญญาสมาธิไม่ใช่นั่งสมาธิให้เคลิ้มเคลิ้มนะสมาธิคือทํำยังไงใจจะตั้งมั่นใจจะหลุดออกจากกองคุกเชือกข่าวหลุดออกจากโลกของความหลงนะ โลกของความคิดนึกปรุงแต่งภายในที่เราไปสร้างโลกข้างในอยู่เราไม่ได้อยู่ในโลกของความจริงสมาธิจะทําให้เราขับถอนตัวเองออกจากโลกที่เราไปสร้างเอาไว้เองออกมาอยู่กับโลกของความเป็นจริงแล้วก็มาดูกายดูใจตามความเป็นจริงเห็นว่าไม่ใช่ตัวเราเป็นทุกคนอยู่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงตลอดอย่างนี้ศาสนาต้องเดินอย่างนี้เพราะฉะนั้นจุดแรกก่อนจะไปเจริญปัญญารู้กายรู้ใจเนี่ยต้องรู้จัก จิตที่ตั้งมั่นงก็รู้จักความรู้สึกตัวไม่งั้เราจะเรียนข้ามขั้นเราไม่เรียนเรื่องจิตตสิกขาจะข้ามไปปัญญาสิกขาเลยข้ามไปนหนึ่งขั้นข้ามหนึ่งขั้นทําไม่ได้แล้วนะยกเท้าอะไรเงี้ยใจไหลไปอยู่ที่เท้าใจไม่ตั้งมั่นกําหนดลมใจไหลายไปอยู่ที่ลมจิตไม่ตั้งมั่นใช้ไม่ได้หรอก จิตต้อง <those S 2> ตั้งม like, oh. ั่น so คือจิตอยู่กับเนื้อกับตัวรู้เนื้อรู้ตัวอยู่าจิตใจเราอยู่กับเนื้อกับตัวรู้เนื้อรู้ตัวแล้วก็รู้กายรู้ใจได้ถ้าใจเราไปอยู่กับความคิดเราก็รู้แต่ความคิดรู้กายรู้ใจไม่ได้ถ้าเราไปนั่งเพ่งเนี่ะกายกับใจก็นิ่งไปหมดเลยเราไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงเราจะรู้กายรู้ใจเพื่อให้เห็นว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นฟุ้งมันทนอยู่ไม่ได้บังคับไม่ได้ไม่ใช่เป็นนั่งเฝ้าจนมันนิ่ง การนั่งเ้่งนั่งจ้องเลยเนี่ยเป็นเส้นทางที่ขิดใจลอยทราบไหมเร <c oughs> ื่องหักถึงเงี้ยใจลอยใจลอยแล้วเรารู้ไวๆนะต่อไปเราก็จะเกิดความรู้สึกตัวทันทีที่ใจหนีไปก็รู้สึกตัวปั๊บขึ้นมาเรารู้สึกตัวรรตอนรรตนี้เราจะรู้เลยร่างกายเคลื่อนไหวเห็นเหมือนคนอื่นเคลื่อนไหวแล้แต่ถ้าเราเผลอเมื่อไหร่ชั้นเลแหละเคลื่อนไหวนะ ถ้ารู้สึกตัวเมื่อไหร่แล้วก็เห็นรูปมันเคลื่อนไปไม่ใช่เราเคลื่อนไหแล้วเนี่ยหนีก็อย่างเนี้ยนีไปกบบระตัดแว บ, บแวบแวบไป เ, เรื่อยนี่ว่าจิตไม่ตั้งมัน่นเงั่นเราต้องเรียนเรื่องจิตสิกขาหรือเรียนเรื่องสัมมาสมาธิก่อนให้ใจเราตั้งมั่นกันแต่ตั้งมั่นจิตใจไม่เผลอไปไม่หลงไปจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัว มาชิดใจอยู่กันนี้กับตัวเราก็รู้กายรู้ใจได้แล้วทันตรงนี้รู้กายรู้ใจไม่ได้เห็นไหมลืมหมดเลยลืมกายลืมใจแล้วมันรู้แต่ความคิดรือออกไหมหนีไปแล้วหนีแว๊บแว๊บว บ, บ, บ, บ, บ, บ, บเนี่ยจริงๆไม่ได้ยากอะไรเมื่อคิดมากกนะ็ง่ายที่สุดเลยธรรมะยิ่งคิดยิ่งยากของของง่ายๆรู้ก็ไปตรงๆเลยบางคนก็สงสัยจะดูตัวไหนดี มีอันโน้นดูวันนี้ก็ดูได้เ ย, ย, ยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยพอคิดมากอย่างเด็กๆมันดูตลกทางโทรทัศน์เนี่ยมันต้องไปสอนมันไหมว่าอา้าวตอนนี้ดูไอ้ตัวนี้นะตอนนี้ดูไอ้ตัวนี้นะไม่มันดูเป็นอะ่ะมันดูเป็นอยู่แล้วเดี๋ยวไม่คิดมากอ่ะล้วเราคิดมากแลเราเอ๊จะดูตัวไหนดีมีกายมีจิตมีผู้รู้มีอารมณ์มีกิเลสเยอะแยะเลยจะดูตัวไหนีปฏิบัติแบบคิดมากค ถ้สวมหัวใจเด็กเนะี่ยตัวไหนมันเด่นขึ้นมารู้ตัวนั้นเลยมันเลือกให้เราเสร็จแล้วตอนนี้จะรู้ตัวหนึงอย่ยใจหนีแวบไปเห็นไหมใจมันหนีแว บ, บไปค่อยรู้ทันมันอย่าไปนั่งจอง้องเอย่าจ้องเข้าข้างในอย่างนี้ธรรมะไม่อยู่ข้างในรู้สึกตัวสบายๆรู้สึกเฉยๆเลยรู้สึกธรรมชาติเลยธรรมดาที่สุดเลย จิตที่ธรรมดาที่สุดนะจิตที่ดีพิเศษที่สุดไหมเฉลออกแล้ะอืออกไหมหรืไม่ว่าง่ายไม่คิดมากว่าง่ายคนที่ไม่เคยฝึกนะง่ายที่สุดเลยคนไหนเคยฝึกนี่ยากที่สุดเลยเพราอะไรก็รชอบไปฝึกเพ่งเอาไว้ส่วนคนไม่เคยฝึกนี่นะจะไม่บังคับใจตัวเองปล่อยให้มันทํางานเสอนไหวไปแล้วเราค่อยรู้ความเปลี่ยนแปลง ความรู้สึกในใจเราเปลี่ยนแปลงทั้งวันคอยดูไปความรู้สึกในใจเราเนี้ยมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆร่างกายก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ดุกระดิกเดี๋ยวยืนเดี๋ยวเตินเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวนอนคอยรู้สึกไปรู้จิตยังไม่ได้มารู้กายไว้ก่อนกายเป็นบ้านของจิตราู้กายไปนานๆเดี๋ยวก็รู้จิตได้งั้นไม่เอาเฮเยอย่าไปทามันขึ้นมา ความรู้สึกสบายจ้ะตอนที่เรามีติตอนที่เราบริสุทธิ์เป็นสีะาดกันไคะคือสีนี้ที่สติก็ได้ต่มีสติไหมสติกระจายหรือมันย้อมกันหมติมันย้อมใจเราติดหมถ้ามีปีติขึ้นมาจิตอยู่ตาหาเนี่ยะถ้าไม่ไปสนใจปีตินันจะมารู้สึกตัวก็มเปีติก็จะรหลุดหายกันเความปรุงแต่งนิยขาไปหมดเลย งี i, co, on, so okay. ้อย yeah. ่างเรามีจิติ şey uh ์น้ uh ําหูน้ําตาร่วงทราบตึงอย่างเงี้ยจิตมันถูกยอมเวลาที่ลงมจิตของรมก็คือความรู้สึกแบบสบายใจนะคะสบายใจไม่เกี่ยวกับจิตต์จิตนี่ยมันหวานสบายใจอย่างถ้าจิตใจเรารู้สึกตัวขึ้นมามันจะสบายใจทันทีมันจะมีความสุขทันที ใช่แ้วความสุขเนี่ยไม่ใช่ว่าต้องทุกข์ไปก่อนปฏิบัติทุกข์ทกข์แล้วไปสุขทีหลังไม่เข้าใจผิด น, น ะ, ะจิตที่เป็นมหาอาุศสนุจเนี่ยมีความสุขทันที <Measure. S 1> มันมีเวทนาสองอย่าง ค, งคือสมนัติมีความสบายใจอุเบกขาถ้าใจหนักหนักคึบคึบแน่นแน่นนี่มันอับอุส <S <S นะงั้ต อ, อนที่เรารู้สึกสบายสบายดีดื่นก็คือตอนนั้นเราได้สึกต่ไหแล้วตอนนี้ก็คืออย่างนั้นหรือยัง เนอะนะเนี่ยใครรู้นเสือไม่ให้หนีนี่อย่างเท ก, กกี้ไม่ใช่นะเทกกี้มเคลื่อนไปอย่ายาดบังคับนะแล้วบังคับนะไม่บังคับมนะันเราไปดูเขาดูออกไหมใจเราไปอยู่กับเขาเราใครรู้ทันใจของเราใจเราชอบหนีหนีเจ้าของไป ห, หนีไปที่อื่นเช่นเราเห็นคนอื่นแนละ้วเราไปดูเขาแล้วเราลืมตัวเราเอง นะลืมกายลืมใจตัวเราเอางนี่เรียกว่าหลงนะเรียกว่าเผลอเรียกว่าหลงเราได้ยินเสียงเขาคุยกันตั้งใจฟังเขาคุยรู้เรื่องที่เขาคุยเราลืมกายลืมใจตัวเองนี่ก็เรียกว่าหลงนั่งอยู่เฉยๆใจเม้อไปเลยนี่ก็หลงนั่งอยู่เนี้ยก็คิดๆรู้เรื่องที่คิดนะแต่ลืมกายลืมใ จ, ใจตัวเองก็เรียกว่าหลงเงั้นหลงมีเยอะนะะต้องเรียนให้รู้จักหลงแล้วก็จิตใจถึงจะตั้งมั่นขึ้นมาแค่หลงละ ใจหนีแว๊บแท๊บแบบต่รู้สึกว้ารู้สึกง่ายๆ่ถ้าเมื่อไรแข็งขึ้นมาผิดเลยนะเมื่อกี้ก็ดีแล้วที่เอาอย่างจะกิดดีกว่า น, นี้นะปล่อยันอย่าไปเกรงขึ้นมาปฏนะิบททัติแทบตายเลยนะเพื่อว่าวันหนึ่งจะปล่อยมันทิ้งเนะี่ยไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อไปเก็บอะไรไว้ลูงหลังนะ ตี่นเต้นต้องปล่อยมันทิ้งเหมดปล่อยไปเรื่อยๆใจเข้าไปเกาะอะไรไว้รู้ทันทันโยนทิ้งไปเลยนะรู้สึกตัวเสร็จขึ้นมาเรู้สึกไว้หนีไปแล้วคือก็อถามเพิ่มอีกน่ยครับการตื่นตื่นนี่เราต้องเค่งพัดจริงจังนั่แช่หนยคือเอาหินทาอะไรหินท่าไว้พอละวหินเกินนั้นก็ถือว่าเป็นการฝึกใจของเราตือนตื่นเนี่ย ทำความเข้งที่ต้องเรียนแมเรื่องสีลสิกขาจิตาสิกขาเรื่องความรู้สึกตัวปัญญาสิกขาเรื่องการรู้กายรู้ใจศีละสิกขาต้องเรียนคือเราต้องรู้ว่าสีนี่เราถือแล้วเราสบายเราถือแล้วเราลดภาระถ้าเมื่อไหร่เรารู้สึกถือสีเป็นภาระสรแสดงว่ายังไม่เข้าใจอย่างเราจะบโกหกกับก 6, เราไม่โกหกเนี้ยโกหกเป็นภาระนะโกหกเราต้องจําพูดเกอบคนนี้อย่างนี้พูดกับคนนี้ต้องจําเป็นภาระกินเหล้าเป็นภาระนะ ต้องหาเงินไปกินเหล้าต้องหาเงินไปซื้อเหล้าต้องไปชวนคนมานั่งกินด้วยจินเสร็จแล้วตีกันปวดหัวอีกอะไรเงี้ยถเช้ามาปวดหัวยังไม่พาระาไม่กินเหล้าสบายกว่ามัต้องเสียงเงินซื้อเหล้าด้วยหรือจะเปพฤติ ผ, ผิดในกามเนี่ยมีภาระเยอะนะทำไงเขาจะไม่ฆ่าเราหรือเราจะฆ่าเขาด้วยเป็นภาระเยอะกว่าไม่ฆ่า ถ้าเข้าใจเรื่องสีสีเราถือเพื่อความสุขเพื่อความสบายไม่ใช่ถือว่าลำบากลำบากทำไมมันถือสีลำบากไม่เข้าใจสีจะถือได้ง่ายเลยถ้าเรามีสติคอย ร, รู้ทันใจของเราถ้าเราคอยรู้ทันใจของเราเช่นความโกรธมันเกิดขึ้นมาเราเห็นความโกรธเราเห็นความโกรธความโกรธจะครอบงาใจเราไม่ได้เราจะไม่ฆ่าใครเราจะไม่ตีใครเพราะว่าความโกรธไม่ครอบงาใจ ถ้าเราเกิดความโลภขึ้นมาเราเห็นความโลภพุ่งขึ้นมาในใจเรามีสติรู้ทันใจเราความโลภครอบงาใจไม่ได้เราก็ไม่ขโ ม, มวยใครเมื่อเราเห็นความคนองเกิดขึ้นในใจเรารู้ทันมันคราบําใจไม่ได้เราไม่พูดเพริรเจอเ์งั้นถ้าเมื่อไรเราสามารถมีสติเศ้ารู้อยู่ที่ใจเราได้กิเลสเกิดแล้วคอยรู้ทันศีลจะบริบูรณ์ด้วยตัวเอง อย่างสีที่ไปถือเป็นข้อๆนี่ยงสีลลำบาก <c oughs> ถ้าสีที่เราทำปฏิบัตินี่ก็คือการที่เรามีสติรู้ทันกิเลส ท, ที่มันเกิดขึ้นในใจนั่นแหละสตัวจริงน่แล้วเสร็จแล้วจิตใจเราจะเป็นปกติคือไม่ถูกกิเลสย้อมจิตที่ไม่ถูกกิเลสย้อ ม, มกกเร่ยกว่าจิตมีสีเพะฉั้นสีนมีหลายชั้นศีนเป็นข้อๆที่เรียกว่าปฏิโมกข์สีศีเป็นข้อๆ สิ่ที่เรามีสติรู้อยู่ที่ใจเรียกว่าอินทรียสังวรสีสิ่ที่ใช้ภาวนาคืออินทซียสังวรตอนนี้จะหาเนรัฐบาลเนี่ยออกกฎหมายให้อะไรที่มันผิดศีเนี่ยเป็นผูกกฎหมายมแต่สิ่งที่ผิดศีแล้วอยู่ในทางเนี่ยมันรัฐบาลก็ทำให้มเป็น ของบรัทยอมทาบุญล้านเงินรัฐบาลก็จะเก็บภาษีจากเงินที่ยมทาบุญล้านงอีกั้สามแย่เงี้ยะแล้วก็พวกยมก็พยามดูว่่านี้เราก็ต้องจัดสรเป็นรายได้คือทาให้เราเสียภษีแต่ว่าไม่ได้ถูกคือยมคุยกัว่าอย่างรัฐบาลเขาม่ขาทุ่มนแล้วเราก็บ่องอะไรอย่เียก็ตามคาะเป็นถูกกฎายแต่ว่าเงินทาบุญเนี้ย คือมันไม่ใช่มีแต่เราเนี่ย <c oughs> คนอื่นมึงแกล้งทําบุญน่ะ <c oughs> ใช่มอันนี้ไม่ใช่มีแต่เราต้องไปทําจริงๆอ่ะ <c oughs> นี่เราดูเราเราเป็นตัวตั้งคนเดียวนะมันไม่ไหวจริงคนแกล้งอย่างสร้างบุญนุชชีอะไรองเนี้ยที่จริงจะทํากงสีก็ห ล, ลบไปทำบุญนุชชีเรื่องภาษีเรื่องอะไรมันก็มีคนทํา <c oughs> นี้ถ้าเร า, <c oughs> าเสียตัวนี้เราก็ต้อง กลับยอดบริจาคของเราให้คขาเบ้อภาษีที่จะต้องเสียเพราะเรายอมเสียได้แค่นี้คือว่าที่เหลือนั้นบริจาคให้รัฐบาลมันเอาไปทำไม่ดีมันล่มจมคือสิ่งที่มันอยู่ในโลกมันมีอะไรอันอย่างรัฐบาลเขาก็ทํำอย่างที่เรียกว่าโลกาพิสตัย โลกยุคนี้เขายกย่องเงินยกย่องอะไรนะวิธีการไม่สำคัญสอนชาบ้านทาเหล้ากินเหล้าเปิดบอลเหมือนก็ขัดกับธรรมะถ้าเราทามาที่ปไตตนยะถึงจะมีกฎหมายไม่มีกฎหมายเราก็รู้ว่าอะไรควรหรือไม่ควรถ้าเล่นโลกาที่ปไตัยข้างนอกเราก็เล่นตามเขาไปตัดร้องล้วเขา แต่ในใจเรามีธรรมะเป็นหลักแล้วเขาต้องกลับตัวของเราผู้ปฏิบัติจริงๆเนี่ยไม่เป็นปฏิบักษกับสิ่งแวดล้อมถ้าเรารู้สึกโอ้รัฐบาลช่วยมากเลยเราคับข้องใจงนะแล้วเราแพ้ตัวเราเองอลยปฏิบัติผิดแล้วสังคมก็มีกรรมของสังคมมีกรรมร่วมกันสังคมมันเป็นอย่างนี้เพรช่วยกันสร้างมาอย่างนี้ นี้เราในฐานาปะปัจเจกชนผู้มีปัญญาได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าภายใต้สภาวะอย่างนี้จะทำดำรงตนอยู่ยังไงคือเราเราทำกรรมดีมากมาตลอดเลยแต่รเรามาเกิดในยุคที่บ้านเมืองเห็นผิดเป็นชอบผลของกรรมดีไม่ได้ส่งผลให้เราสุขสบายใจเพราะ อ, อะไรอย่างนี้เขาเรียกว่าคติอิบัตเกิดผิดที่ บางทีก็เกิดผิดยุคผิดสมัยอย่างบางคนเป็นศิลปินเอกเลยมาเกิดในยุคสงครามกุศลที่ส่งผลให้เป็นศิลปินเอกส่งมาอากุศลบางส่วนส่งมาให้เกิดตอนนี้ไม่ได้สแสดงฝีมือเลยคนอย่างนี้ก็มีเพราะฉะนั้นอย่างกฎแห่งกรรมนี่ไม่ใช่หนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองนี่มีเงื่อนไขตัอื่นด้วย อย่างเราทําไมเราทาดีทุกอย่างเลยแต่เราต้องเผชิญกับสภาวะที่แวดล้อมเราอยู่แบบนี้เขาเรียกว่าวิบัติมีวิบัติสีอย่างเรื่องบัณฑพรกรรมกรรมดีที่ให้ผลผือสงสัยว่าจะเคยสัตว์บางที่บางที่ธุรกิจเขาก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าในเรื่องของกฎหมายบันทีมันต้องมีการติดแทรกเรื่องทางษีเรื่องทางด้านน มันเป็นการผิดสิ่งิกฎหายนเหือันไคือผิดกฎหมายเราคงผิดอยู่แล้ว <c oughs> แวมันเป็นการตั้งใจํารแ้หัวเราผิดสี่เยด้วยก็เป็นตั้งใจโกงสังคมคิดหน่อยมคิดแค่ไคิดหน่อยแต่ว่าทำธุรกิจเขาก็ทาอย่างนั้นเลยนี้โลกาที่ปไตยย่จะมาถามซ้ามไม่ได้ซ้ <c oughs> างต้องตอบอย่างคำมาที่ปไต่มีจุดยืนเพาบางทีเขาเขียนกันว่าเป็น แต่ว่าศาสนาพุทธ เ, เ, เนี่ยพระวิไนเนี่นะอนุโลมตามกฎหมายด้วยนะเรียกว่าถ้าเราไปทําฝืนกับมติของโลกโล ก, กาที่แส่เราฝืนมติโลกนั้นะโลกติดเปี่ยนเนียกโลกาบัณฑชะอย่างทา้ากินเหล้าเนะอับดับนิดเดียวนะแต่มาหาเสนาจะมากมออกกวดว่าท้ากินเหล้าจับสึกเพราะว่าโลกเขติดเปี่ยนงั้นติพิษหนาวเองนะ จะใช้โลกาทิปะตะไ่ก็ใช้ไปถ้ามาถามรังครั้งก็ต้องยืนยันธรรมาทิปะตะไ่ใช่ไหมเพราะว่าหลวงพ่อก็ต้องมีจุดยืนเนียายามนะเรียนเรื่องความรู้สึกตัวให้ได้ก่อนนะถ้าได้เรื่องความรู้สึกตัวแล้วไม่ต้องกลัวว่าไม่มเกิดสัญญาไม่ต้องกลัววิปัสสนาไม่มีถ้ารู้สึกตัวให้ได้ วิธีที่จะรู้สึกตัวนั้นก็คือคอยรู้ทันเวลาใจเราเผลอไปเวลาไปดูมันเผลอดูเวลาฟังมันเผลอฟังเวลาคิดมันเผลอคิดเบื้องต้นเราต่างตัวกอ็อย่างขณะนี้ยมันเผลอไปจ้องไวท้างไหนเผลอไปชำเลืองเข้าไปดูในใจของเราเนี่ยอย่างนี้เรียกว่าเผลอก็ไปทางใจค่อยเรียนตรงนี้ถ้าเรียนตรงนี้เข้าใจเราจะรู้สึกตัวขึ้นมาเพราะว่าตรนี้เราตื่นขึ้นมาอย่างแท้จริง ต้องตื่นซะก่อนตื่นแล้วมารู้กายก็เห็นว่ากายไม่ใช่เราตื่นแล้วรู้ที่ใจใจก็ไม่ใช่เราถ้าไม่ตื่นนะมันเป็นเราหมดเลยไม่เอานะเขืออย่างนั้นเถอะยบางครั้งหาว่าตัวเองเป็นผอดชารู้ว่ากำลังหานะหาอยู่รู้ว่าหาอยู่จบแนละ้วอย่าเที่ยวไปหาว่าหาอะไร มั่นหลงนะดูในวิถีแห่งความรู้แจ้งข้อหกจุดสองคิดไปหารู้ว่าเปาิดเหง่ายๆเลยเนี่ยลงไล่องต้นเลยเสือไปใจลอยไปเลยเช่นเสือไปรู้ตัวว่าเผือ ร, รู้รู้ตัวเรียบร้อยแล้วไอ้คิดคิดคิดเนีอไปในความคิดรู้ตัวว่าคิดนี่รู้ตัวเรียบร้อยแล้วอยากปฏิบัติรู้ว่าอยากปฏิบัติคือก็รู้ตัวละ เราอยากปฏิบัติแล้วก็ตั้งค่าปฏิบัติทําขึ้นขึ้นั่งจ้องรู้ว่าตั้งค่าปฏิบัตินี่หลงอีกแบบพอทําใจขึ้ถึงนเสร็จแล้วสิ่งที่จะทําต่อไปเที่ยวหาแล้วว่าจะดูอะไรดีหาอยู่รู้ว่าหานี่หลงหาพอหาไปเจอก็นั่งจ้องไปแล้นี่หลงเช้งหลงกําหนดกําหนดไปกําหนดไหมนี่มันกิเลสอยากละหลงแทรกแสง ถ้าเห็นมันดีนะอยากรักษามันก็เข้าไปแทรกแซงกระบวนการที่จิตมันหลงเนี่ยหอ้มันหลงได้ทียิบเพราะนถ้าเรารู้ทันเรงอะไรใจลอยก็ดีรู้ทันตรงมันแอบไปคิดก็ดีรู้ทันตรงมันตั้งค่าปฏิบัติก็ดีรู้ทันตรงมันเที่ยวแสวงหาก็ดีรู้ทันตรงมันจ้องไว้เข่งไว้กําหนดไว้ก็ดีรู้ทันตรงที่มันแอบเข้าไปแทรกแซงเช่นอยากลักิเลสเห็นปูสาแล้วทําไงจะดับได้นะ ฉเฉลียวใจว่าตัวเองกาลังอยากรักโทสะนี่ปฏิบัติถูกเป้เลยรู้ตรงจุดในจุดห น, นึ่งเนี้จิตจะถอดถอนออมาตั้งมั่นหมดเลยอย่างนี้หลงคิดเห็นไหมหลงคิดด้วยว่าหลงคิดจิต ก, ก็หลุดออกมาเลยหลงหาดูอะไรดียนะแฝงอยู่ข้างในรู้ว่ากลังหาจิต ก, ก็จะหลุดออกมาเหมือนกันรู้ทันสภาวะตรงไหนจิต ก, ก็หลุดออกตรงนั้นเลยเสร็จไหมท้า